หนังสือเสียงสำหรับคนพิการผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการคำนำบ้านเมืองของเราเขามาลุกรานเราก็ชายชาติทหารฉะไหนจะยอมแพ้เขาเขตแดนของไทยดวงใจของเราใครหลูดูเบา รัวเขาทำไมกรุงศรีอยุธยาสิ้นชาตาแล้วหรือคนดีมีฝีมือหายไปทางไหนเมืองของเราเขาทาช้ำใจพวกเราไปไหนไม่มาต้านทานบทเพลงบ้านเมืองของเราเป็นเพลงที่เหมาะสมกับเหตุการณ์กรุงแตกเป็นคติตือนใจปลุกใจขอเชิญท่านอ่านเรื่องกรุงแตก ท่านจะพบกับความสับสนวุ่นวายระส่ำระสายสุดที่จะพนานาความไม่ปรองดองไม่ร่วมรักสามัคคีความเห็นแก่ตัวความเลวร้ายขายชาติได้ผลอย่างไรเราต้องชอกช้ำระกำรรหัวใจเพียงใดความเดือดร้อนทุกหย่อมญ้าความต้องตกเป็นข้าเป็นทาสรสชาติเป็นอย่างไรท่านจะได้พบในหนังสือกรุงแตกพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่าพระเจ้าเสือเหลือวิสัยจริง การรบที่บางระจรันของเราน่าสรรเสริญเป็นตัวอย่างที่ควรยกย่องการคิดว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวให้ผลร้ายอย่างไรตามโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนั้นเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องกรุงแตกข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาคุณพระรัตนตรยัยและพระสยามเทวาทิราชอดีตมหาราชทุกพระองค์ขอให้ทรงคุ้มครองประเทศชาติ อย่าให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในตอนนี้สำหรับบ้านเมืองไทยของเราขอให้ไกลร้อยโยอดแสนยอดขอให้ทรงโปรดประทานพระพรในความวัฒนาถาวรสืบไปขอให้ชาวไทยจงตื่นเถิดขออย่าให้เหมือนหนังสือที่อยู่ในมือของท่านอีกชั่วฟ้าดินสลายตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายถ้ามัวหลับมัวหลง เราก็คงละลายจำไว้เถอะสหายตื่นเถิดชาวไทยแต่สำหรับข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่าเราเป็นเมืองพระพุทธเจ้าจะพลาดท่าเสียทีไปบ้างคุณพระศรีรัตนตรยก็ช่วยเราให้ปลอดภัยเพราะไทยเรายึดมั่นอยู่เสมอว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีกรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรู ต่อสู้ภัยรีเราจะกู้เกียรติสีอยุธยาไว้เอ่ยอยุธ ย, ยารุ่งเรืองกระเดื่องนามเมืองงามธรรมชาติช่วยสนองบริบูรณ์ลุ่มน้ำและลําคลองเท้าอู่ทองทรงสร้างให้ชาวไทยกรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรูต่อสู้ภัยรีเราจะกู้เกียรติสีอยุธยาไว้เอย่ย ครั้งโบราณแพ้พมา่าเป็นฆ่าเขาพระนเรศวรเจ้าทรงกู้ได้ไล่ศัตรูไปให้พ้นแ ผ, ผ่นดินไทยสีอายุธยาไม่สิ้นคนดีกรุงสีอายุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรูต่อสู้ภัยรีเราจะกู้เกียรติสีอายุธยาไว้เออยชาวสีอายุธยามาด้วยกันเลือดไทยใจมั่นไม่พร่ำหนี ชีวิตเราขอน้อมยอมพรีไว้เกียตรติสีอยุทยาคู่ฟ้าดินกรุงสีอายุทยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะรบศัตรูต่อสู้ัยรีเราจะกู้เกียตรติสีอายุทยาไว้เอย่ยขอเชิญชวนให้ท่านอ่านกรุงแตกขอให้ท่านเลิกคิดว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวขอให้ท่านร่วมรักสามัคคีกลมเกลียว ผลึกกำลังทุกอย่างให้เข้มแข็งนั่นแหละคือกำแพงของชาติขอให้ท่านเห็นผลร้ายแห่งความประมาทความไม่เตรียมพร้อมความเห็นแก่ตัวให้ผลอย่างไรกรุงแตกเป็นบทเรียนเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยทุกคนต้องรักชาติไทยต้องหวงแหนเขตแดนของไทยทุกกระเบียดนิ้วเจ็บอย่างอื่นพอทุเลาบรเทาได้แต่เจ็บใจเจ็บอยู่ไม่รู้หายมันยอกเราเหมือนน้าเน็บเจ็บไม่าย เจ็บจนตายถ้าไม่แก้ให้กลับคืนแผ่นดินไทยไทยเราเป็นเจ้าของกลับมาต้องมอรสุมไม่ชุ่มชื่นร้อนในอกหมกไหมดังไฟฟืนขมขื่นแสนเจ็บในดวงใจเมื่ออ่านกรุงแตกจบแล้วขอให้ท่านฝันดีมีสมองผ่องใสมีใจรักชาติเพื่อความไม่ประมาทสำหรับท่านที่เฉลียวฉลาดควรจะอ่านเรื่องกรุงแตกและยึดมั่นในคาที่ว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีลงชื่อประภาพันธ์วิจิตวัฒการ10กันยายนพุทธศักราช2514